การขายน้ำปลาในยุคนั้นเขาจะมีการโฆษณากันอย่างไรติดตามได้เลยค่ะกับจดหมายจางวังรำตอนที่สามน้ำปลาที่ทำนั้น ในชั้นต้นก็ต้องการให้ใช้สำหรับเหยาะน้นจิ้มหนี้อย่างน้ำปลาธรรมดาครั้นเจ้าจ๋องไปเป็นผู้จัดการได้ไม่ช้าไอ้น้ำปลานั่นฟังตาม advertisement ดูมันต้องใช้ไปทุกอย่างแม่ครัวคนไหนถ้าไม่ได้ใช้ถึงจะทำไก่พะแนงแกงเห็ดเป็ดถอเท้คนขอทานกินมันก็คงว่าไม่อร่อยถ้าใช้น้ำปลาเจ้าจ๋องถึงจะเอาปูเค็มใส่สำหรับทุกวัน นายก็ต้องกินข้าวได้ส่วนกับข้าวใหม่ๆที่คิดทำขึ้นได้ด้วยน้ำปลานี้นั้นมีกี่สิบอย่างก็เหลือจะจับลงท้ายดูเหมือนจะทำทองหยิบฝอยทองก็เกือบจะต้องเหาะน้ำปลาชนิดนี้ด้วยในตอนต้นๆที่เจ้าจ๋องลงมือบอกขายน้ำปลานั้นทําให้ข้าพน ล, ลุกร่ำไปด้วยมันลงทุนหนักกว่าหนักนะักดูเหมือน มันนอนตรอมอย่างรุ่งว่าจะบอกขายอย่างไรจึงจะเสียเงินมากๆข้าไปกรุงเทพคราวใดก็เห็นเจ้าจ๋องไปเที่ยวอยู่ทุกคนทุกแห่งเป็นรูปคนผอมกับคนอ้วนบ้างรูปขวดน้ําปลาสูงเกือบถึงนกเขาเหินบ้างบางอันเป็นรูปพระเจ้าสุลต่านมีตัวหนังสือว่าพระเจ้าสุลต่านจะโปรดน้ําปลานี้ถ้าได้เสวย ข้าเห็นมันลงทุนหนักกว่าหนักนักดูไม่เห็นขายน้ำปลาได้กี่ขวดก็เรียกเจ้าจ๋องมาว่ามันพัดว่าไม่อีกกี่มากน้อยก็พบขุนทรัพย์เป็นหน้าขอให้ทําไปอีกหน่อยเถิดแต่ดังนี้หลายครั้งจนท้ายข้าก็จะไล่เจ้าจ๋องออกให้เลิกเรื่องน้ำปลากันทีเพราพวกเอเย่นในกรุงเทพพากันสั่งให้ส่งน้ำปลามากขึ้นเริ่มไป ไม่ช้าก็ต้องต้มน้ำปลากันทั้งกลางวันกลางคืนเจ้าจ๋องก็ยึดรากแน่นอยู่ในโรงน้ำปลาตั้งแต่นั้นมาถ้าโรงน้ำปลาเลิกข้าก็คงต้องจ้างเอาไว้ในบริษัทเจ้าจ๋องคนนี้แหละเป็นผู้ที่ทำให้ข้ารู้สึกว่าการเรียนวิชาสูงนั้นถึงจะทำการค้าขายก็ไม่เสียเปล่าโดยมันสมองมันแล่นคนบางคนถึงไม่เคยร่ำเรียนอะไร ก็ฉลาดเฉลียวได้เหมือนกันแต่ถึงจะมีความคิดก็ไม่มีความรู้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างว่าเจ้ามีความคิดอยู่แล้วว่าอาจทำยานัดแดงได้ดีกว่ายานัดของหมอเปลี่ยนแต่เจ้าไม่มีปูนกับยาเจ้าจะทำอย่างไรได้คนเร่าที่รับจ้างเขาทำการถ้ายิ่งได้ร่ำเรียนมาดีมันยิ่งหาทางให้นายขึ้นเงินเดือนบ่อยๆเข้า ไอคนที่ไม่ได้ศึกษากี่มากน้อยมันก็ออกความคิดได้แต่ความคิดมันมักจะไปลอยเคว้งคว้างอยู่ในอากาศเสียนานๆจึงจะเป็นรูปเข้าได้บางทีเลยลอยศูนย์ไปทีเดียวอย่างเดียวกันกับร้านวัดเบญจมาปพิษที่มีลูกปี๊ขายลูกปี๊นี่หมายถึงลูกโปงค่ะ ร้านวัดเบนจะมะบพิษก็หมายถึงในสมัยนั้นจะมีงานวัดเบนจะมบพิษที่เป็นงานใหญ่ของคนกรุงเทพนะะอย่างเดียวกันกับร้านวัดเบนจะมะบพิษที่มีลูกปี๊บขายย่อมมีความคิดด้วยกันทุกร้านว่าถ้าอัดแก๊สทำให้ลอยได้จะขายลูกละสองบาทบางร้านมีแต่ความคิดต้องนั่งขายลูกละบาทเดียว บางร้านมีความคิดด้วยความรู้ด้วยเอาสังกสีกับกรดเกลือมาทำประเดี่ยวเดียวจะให้ลูกปี๊บลอยไปพรหมโลกก็ได้หรือถ้าไม่ถึงพรหมโลกก็คงสุดสายตาเมื่อข้าได้กล่าวมาเช่นนี้แล้วเจ้าคงจะกลับถามว่าก็เมื่อข้าเห็นวิชาเป็นของดีเช่นนี้เหตุใดข้าจึงไม่ยอมให้เจ้าอยู่เรียนเอาดีกรีบีเตามประสงค์ของเจ้าเล่า ในสนลูกชายของจางหวังรัมเขียนจดหมายมาว่าอยากจะเรียนให้จบปริญญาตรีแต่ว่าจางหวังรัมออกจะไม่เห็นด้วยอยากให้เรียนตรงตามสิ่งที่จะต้องใช้มากกว่าข้าตอบว่าถ้าจะรู้ตัวว่าจะต้องแกงแต่ยังไม่รู้ว่านายท่านจะให้แกงแกงเผ็ดหรือว่าแกงจืดเช่นนี้ก็ควรเตรียมเครื่องแกงไว้ทั้งสองอย่าง แต่ถ้ารู้แล้วว่าจะต้องแกงจืดก็จะตำน้ำพริกขูดมะพราะ้าวั้นกะทิไว้ทำไมให้มันเสียเวลาเป็นแต่หั่นกุ้งหั่นหมูเจียวกระเทียมทีเดียวกันแล้วกันเวลาจะกินก็ได้ที่ทีเดียวการเรียนวิชาก็เหมือนกันถ้าเจ้าไม่รู้ว่ากลับมาเขาจะใช้ทำอะไรก็ควรจะเรียนเอาไว้มากๆเผื่ออันนี้ไม่เหมาะอันน้นจะเหมาะแต่คนที่รู้แล้วก็จะกลับมาทางานโรงสีอย่างเจ้านี่ ไม่ควรจะเสียเวลาเรียนมากเกินที่จะต้องใช้ในโรงสีสู้เอาเวลามาหัดทำการไปในโรงงานไม่ได้การเลือกวิชาที่เรียนนียากดูมันออกจากคล้ายๆเล่นหวยมีข้อดีข้อร้ายอยู่มากเปรียบว่าเจ้าเสียเวลาหัดใส่ไฟเสียจนชำนาญแล้วครั้นถึงเวลาจะมารับจ้างเขาใส่ไฟเรือไฟคนของเขาก็เต็มถ้าเจ้าจะขืนเข้าให้ได้ข่าก็ไม่ว่า แต่ค่าให้เงินเดือนเจ้าเพียงสี่บาทสี่บาทเท่านั้นส่วนการพนันอื่นๆของข้ามีอยู่คือตำแหน่งคนตัดหญ้าของข้าว่างเงินเดือนถึงเดือนละยี่สิบห้าบาทฝ่ายเจ้าจะรักอวิชาเดือนละสี่บาทหรือจะทิ้งวิชาเอาเดือนละยี่สิบห้าบาทความข้อนี้มันชอบกล้นลองคิดก็ยังไม่เห็นว่าจะแก้ไขอย่างไรได้มันไม่ใช่ความผิดของเจ้าผู้จะมารับจ้าง มันไม่ใช่ความผิดของข้าที่ไม่จ้างมันไม่ใช่ความผิดของใครหมดแต่ถ้าจะเอาตัวผู้ผิดให้ได้เจ้าก็เห็นจะผิดมากกว่าข้าเพราะว่าเจ้าซุ่มซ้มเลือกเรียนไม่ดีมาเองคงไม่มีใครโทษว่าข้าที่ไม่ต่อเรือใหม่สําหรับให้เจ้าใส่ใยหรือไม่ไล่คนที่ทําการอยู่แล้วสําหรับจะเอาตําแหน่งให้เจ้าที่เจ้าบอกมาว่าเจ้าได้เป็นกรรมการขึ้นในครับดีเบตนั้นข้าก็ยินดี โดยพวกนักเรียนด้วยกันคงจะไม่รังเกียจเจ้าหรือคิดเกียจกันเจ้าแต่การที่ไม่มีใครเกียดนั้นเสียเวลามากนะโดยมากมักจะเสียเงินด้วยเพราะคนที่ไม่มีใครเกียดจะต้องเป็นคนไม่มีอัดติดตัวเลยจึงไม่มีใครอิดชา้าหรือมิฉะนั้นถ้าพบใครจะต้องยืนธนบัตรให้เสียทุกรูปทุกนามและมีเรือนแพร้างมา้าวัวควาย ไว้ให้คนอื่นยืมทั่วโลกประเด็นนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าคนที่ไม่มีใครเกลียดคือใครๆก็ชอบเนี่ยข้อเสียก็คือเพื่อนเยอะมีโอกาสที่จะเสียเงินเยอะโดยเฉพาะผู้ชายที่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเยอะก็มีหนทางที่จะเที่ยว หรือว่าไปกับเพื่อนๆแล้วก็เสียเงินเสียทองทำนองนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จางวังราสอนลูกว่าอมไม่มีคนเกลียดเลยนี่ก็ใช่ว่าจะดีไปหมดนะ <c oughs> ฟังต่อนะคะข้าได้กล่าวมาอย่างน้อยครั้งหนึ่งแล้วว่าข้าเชื่อวันในศีรษะเจ้ามีมันสมองอยู่บ้างและข้ายังคงเชื่อดังนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้น เจ้าคงจะเห็นได้โดยไม่ต้องให้ข้าอธิบายมากกว่าที่ข้ากล่าวมาแล้วว่าวิชาที่เจ้าได้ร่ำเรียนมาได้เพียงนี้ก็พอใช้ได้แล้วไม่ต้องคิดถึงดีกรีดีกาอะไรต่อไปด้วยเจ้าเรียนสูงนะักความคิดจิตสันดานของเจ้าก็จะสูงเกินการโปร่งสีไปด้วยดังซึ่งโป๊บจินตกวีอังกฤษกล่าวไว้ว่า The education forms the common mind just as the twig is bent the trees incline ก็แ <im> ป <it> ล <ress> ความประมาณว่าการศึกษามีผลต่อจิตใจเพราะว่าช่วยหล่อลอมกล่อมเกลาจิตใจของเราให้มีสามันสำนึกซึ่งอาจจะเปรียบเทียบได้กับไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขาก็จะโน้มต่ำลงอะไรทำนองนั้นนะคะตามที่กล่าวมาแล้วนี้เจ้าจงเข้าใจ ให้ซึมทราบทีเดียวเอิอไม่ต้องชี้แจงยื่นคำมาอีกครั้งหนึ่งให้ป่วยการนี่คือจดหมายฉบับที่สามนะคะของจางวังรันซึ่งเน้นนักเน้นหนาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะใช้งาน เพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเรียนไม่ตรงกับที่ต้องการใช้งานก็จะเสียเวลาเปล่าทีนี้เราลองไปฟังจดหมายฉบับที่สี่กันบ้างนะคะจดหมายฉบับที่สี่ก็มีประเด็นใหม่ค่ะประเด็นที่ว่าก็คือว่าในสนลูกชายของจางวังรัมเขียนมาบอกพ่อว่าขากลับจากยุโรป จะขออ้อมกลับทางอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นคืออยากจะเที่ยวก่อนต้องการที่จะเที่ยวดูภูมิฐานบ้านเมืองต่างประเทศโดยบอกว่านี่ก็เป็นการเรียนวิชาประเภทหนึ่งเหมือนกันทีนี้การเดินทางอ้อมกลับมาทางอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนนะคะก็ต้องใช้เงินจางวางังราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย คุณผู้ฟังลองเดาดูสิคะและนี่คือจดหมายตอบจากจางวังรำฉบับที่สี่ถึงนายสนค่ะฉะบับที่สี่เชิงเซา ว, วันที่ยี่ห้ามิถุนายนถึงเจ้าสนผู้บุตร จดหมายของเจ้าลงวันที่เจ็ดเดือนก่อนนั้นข้าได้รับแล้วเจ้าพูดจาใช้ถ้อยคำวนไปเวียนมาเหมือนลูกหมาที่ไล่กัดหางตนเองแต่ถ้าไอตูบมันไล่กัดหางมันบ่อยๆก็ทำให้มันโตเร็วคอลำมันล่ำสันขึ้นทำให้เจ้าของรักก็จะได้กินน้าข้าวบ่อยๆแต่ส่วนที่เจ้าพูดจาวนเวียนเช่นนี้เสียเวลาเปล่าทั้งเรื่อง มันไม่ทําให้มันสมองของเจ้าจําเริญขึ้นอย่างที่ทําให้ข้อลาของไอตูมันเติบโตขึ้นนั้นเลยเมื่อเจ้าหัดพูดจาวนเวียนเช่นนี้ก็กลับจะชักให้ความคิดวนเวียนไปด้วยข้าเก็บความได้จากจดหมายเขาวงกฎของเจ้าว่าเจ้าต้องการจะกลับอ้อมทางอเมริกาและญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้รู้จักท่าทางของบ้านเมืองเหล่านั้นและทั้งดูการค้าขายที่ติดต่อ หรืออาจติดต่อกับเมืองเรามีเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าข้าวเป็นต้นเมื่อจะพูดมาเช่นนี้ก็ทำให้ข้าต้องกล่าวความซ้ำซากว่าเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่จะกลับมาเป็นนายเวนทะเบียนการค้าขายในราชการกระทรวงใดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องศึกษาก็ได้ว่าการค้าขายเมืองเราเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ อ, อย่างไรบ้างและส่วนสินค้าข้าวนั้น การในบริษัทนี้เมื่อได้ส่งสินค้าไปห้องกงแลสิงคโปร์ได้เงินแล้วมันจะไปไหนต่อไปก็ไม่ทำให้ข้าเห็นขันที่สุดใครจะเอาไปเทนในทะเลข้าก็ไม่ต้องการทราบเว้นแต่จะทราบได้ด้วยไม่ต้องลงทุนถึงห้าร้อยหรือว่าหกร้อยปอนเท่าที่เจ้าประมาณว่าจะต้องใช้จ่ายในการเดินทางรอบโลกของเจ้านั้นข้อความตามที่กล่าวมานี้ผูดสรุปความลงว่า ถึงเจ้าจะไปอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นจริงข้าก็ไม่เชื่อว่าจะมีประโยชน์ทางไหนที่พูดนี่ก็ส่วนตัวเจ้าคนเดียวไม่เกี่ยวกับผู้อื่นทั่วไปเพราะฉะนั้นจางวังรำไม่เห็นด้วยเพราะว่าในการนี้นะคะจะต้องใช้เงินประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยปอนซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่จางวังรำบอกต่อไปว่า แต่ในเวลานี้เจ้าก็โตควรเป็นผู้ใหญ่มาหลายปีแล้วควรเจ้าจะตัดสินในใจได้ดีกว่าคนอื่นว่าเจ้ายังมีเวลาไว้สำหรับทวงทะเลเล่นได้อีกสักกี่มากน้อยแต่ข้าเห็นว่าคนหนุ่มที่อายุถึง24ปีแล้วและเป็นผู้ที่ร่างกายบริบูรณ์และมันสมองไม่เน่าแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้มีเงินของตัวเองสักบาทหนึ่งและไม่เคยหาได้สักสลึงเดียวนั้น ควรจะรีบเอาชื่อลงในบัญชีจ่ายเงินเดือนของใครต่อใครเสียโดยเร็วถ้ายิ่งผู้จ่ายเงินเดือนเขาคอยจะรับชื่อลงบัญชีอยู่ด้วยก็น่าจะรีบให้หนักขึ้นเพราะเหตุนี้ข้าขอบอกให้เจ้าทราบว่าข้าได้สั่งไปยังมิสเตอร์ไวท์แล้วว่าถ้าเจ้าจะต้องการตั๋วโดยสารเรือเมอมาสิงคโปร์เมื่อไรให้มิสเตอร์ไว์จัดซื้อให้แต่อย่าให้จ่ายเงินค่าเล่าเรียน และค่าอยู่ค่ากินให้เจ้ามากกว่าสองเดือนครึ่งนับจากวันในจดหมายฉบับนั้นดังนี้เจ้าจะยังมีเวลาว่างอยู่ในยุโรปอีกเดือนครึ่งจากวันที่จดหมายฉบับนี้ไปถึงและเวลาที่ว่างอยู่เปราะเปล่าเดือนครึ่งนั้นถ้าคนเจ็บก็พอทำให้หายถ้าคนขี้เกียจก็คงจะทำให้ขี้เกียจหนักขึ้นถ้าคนท่าทางจะไม่ดีก็เลยอับเปรียเอาทีเดียวการที่ข้า ให้เจ้ามีเวลาว่างเดือนกว่านี้เจ้าก็ควรจะยินดีด้วยข้าเข้าใจว่าเจ้าไม่ใช่เด็กชนิดที่ไม่ชอบอยู่เปล่าๆข้าได้ยินคนบางคนชอบพูดว่าไม่ชอบมีเวลาว่างมันต้องทำงานอยู่เสมอจึงจะอยู่เป็นสุขถึงกับข้าตัวเองด้วยงานแต่ที่จริงเพศขาดนั้นไม่ใช่งานเลยมักจะเป็นบรังดีหรือความยุ่งในหัว เมื่อใช้เวลาจะยุ่งดังนี้เสียโดยมากคนที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนั้นไม่เป็นด้วยทำการหนักเกินไปในเวลาออฟฟิศโดยมากเป็นด้วยทำมากเกินไปในเวลาที่เลิกออฟฟิศแล้วธรรมดาคนกับงานที่ทำนั้นควรเป็นเกลือกันอย่างสนิทในเวลาออฟฟิศแต่เมื่อออกจากออฟฟิศไปแล้วควรเป็นศัตรูเกลียดกันเหมือนยาผิดเช่นนี้ จึงจะชอบ m e n s a n a อ n น o อบบรีเซ no เจ้าก็ทราบไม่ใช่หรือ m e n s ซ n a i n น o อบบรีเซโเป็นสุภาษิตละตินค่ะตรงกับสุภาษิตอังกฤษว่า Soul my in s o u d body จิตใจโปรง่งแจ่มใสอยู่ในร่างกายที่สุขภาพสมบูรณ์นะคะคนที่มีน้ำใจปลอดโปรง่ง อาจคิดอันใดคิดได้ง่ายนั้นคือคนที่กวาดการงานให้ออกจากมันสมองทุกๆวันเวลาที่เลิกออฟฟิศเหมือนกับกวาดใบไม้ให้เตียนจากลานโบดและไม่ยอมให้การงานเข้าครอบงำความคิดอีกก่อน4ี่โมงเช้าวันรุ่งขึ้นหรือ5้าโมงหรือสองหรือสามโมงตามเวลาที่เปิดทาการในตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายแต่ส่วนคนทางานที่ไปออฟฟิศบ่ายโมงครึ่ง แต่ชอบพูดว่าไปเช้านั้นถึงจะคิดถึงการงานนอกเวลาออฟฟิศเท่าไหร่ก็ไม่มีอันตรายด้วยเหตุซึ่งไม่ต้องอธิบายก็เห็นจะได้และคนซึ่งไม่มีงานทำแต่ชอบอวดว่าทำไม่มีเวลาว่างเต็มทีขอรับเต็มทีการงานหนักเต็มทีไม่มีเวลาว่างเลยข่าวปลาอาหารก็ไม่ทราบว่าจะได้กินเมื่อไหร่กลางคืนกลางวันไม่มีเวลาว่างเลย พวกนี้ฟังเสียงเหมือนทำการวันละ27ชั่วโมงไม่ต้องคิดถึงเพราะไม่ใช่มนุษย์เสียแล้วถึงใช่ก็ยกตัวว่าไม่ใช่โดยมนุษย์อะไรบ้างที่ไม่มีเวลากินเวลานอนแต่ก็คงมีชีวิตอยู่ได้เมื่อพูดถึงความข้อนี้ข้าขอบอกเจ้าไว้เป็นทุนที่จะรู้จักคนไปข้างหน้าว่าคนคนไหนชอบอวดว่าทาทั้งกลางวันกลา ง, ลางคืน จงเชื่อเอาเถิดว่านอนกลางวันครึ่งวันกลางคืนเต็มคืนหรือถ้าจะอยู่ในที่ทำการก็คงเที่ยวเ ก, กะกะกีดคนอื่นชวนคุยเท่านั้นทีท่แท้ไม่มีอะไรทาเลยนอกจากจะนั่งฉีกระดาษทิ้งกระโถนคนที่ชอบอวดว่าทำงานหนักนี้ยังมีอีกประเภทหนึ่งแต่หายากคืออวดว่ามีงานมากเต็มทีและก็มีมากจริงๆ จะน้อยกว่าที่บอกก็หนึ่งในสามเท่านั้นคนที่อวดว่ามีงานทำมากและมีมากเกือบจริงตามอวดนี้ไม่ใช่มนุษย์ที่ฝรั่งเรียกเยนตัลแมนเยนตลลแมนก็คือเชนตันนันสุภาพบุรุษนะครับ้วยความโออวดไม่ใช่กิเลสชนิดที่เยนตัลแมนจะพึงมีเพราะฉะนั้นเจ้าจงจำไว้ให้คล้ายกับจำสุภาษิตว่าคนใดชอบอวดว่ามีงานทามาก คนนั้นไม่ใคร่มีงานทําหรือไม่ใช่เย็นตาลแมนถ้าไม่ใครไว้ใจจะเติมคำว่าโดยมากเข้าเสียด้วยก็ได้อันนี้จริงเท็จอย่างไรยังคงใช้ได้กับปัจจุบันอยู่ยหรือไม่นะคะกับคนที่มักจะบอกว่าโอ้ยงานเยอะจริงๆเลยไม่มีเวลากินไม่มีเวลานอน อันนี้ก็ฝากให้คุณูฟังพิจารณาเอาเองนะคะพูดถึงเวลานอกออฟฟิศแลในออฟฟิศมีคนอยู่สองจำพวกที่บริษัทค้าขายไม่พึงคบค้าพวกหนึ่งเมื่อถึงกำหนดสี่หรือห้าโมงก็รีบจะออกจากออฟฟิศพวกนี้ถ้าไม่มีใครว่ากล่าวก็มักจะมาอย่างไทยแต่ไปอย่างฝรั่งคือเวลามาก็ไม่สู้ปังชั่ว แต่เวลากลับปังชั่วนะปังชั่วนี้ก็คือพังชั่วที่แปลว่าตรงต่อเวลาโดยได้หยิบหมวกกระปรมเตรียมไว้แล้วแต่อีกห้านาทีจะถึงเวลาคันนาฬิกาตีแป้งที่สามก็ถึงบันไดขั้นล่างเสียแล้วคนจำพวกนี้เมื่อออกจากออฟฟิศไปแล้วก็เป็นอันสิ้นเรื่องใช่ว่าจะรีบร้อนไปไหนก็หาไม่ได้ ครั้นเมื่อหลุดพ้นบันไดออฟฟิศไปแล้วก็เที่ยวตุรัตตุเรต่อไปเข้าโฮเตทลชวนกันกินกันดื่มไปจนสิ้นเวลาเมื่อสิ้นเวลาแล้วบางพวกก็ยังอยู่นั่นเองบางพวกก็เข้าบ่อนหรือดูละครยีเ่เกหรือว่าซัดเซคเนจอนต่อไปสุดแต่วันรุ่งขึ้นถ้าไปนั่งหาวนอนอยู่ในออฟฟิศแล้วเป็นใช้ได้คนอีกจําพวกหนึ่งนั้น ใช้ความคิดของตัวเองแทนบริษัทเพื่อนฝูงเวลากลับไปถึงบ้านก็นั่งง่วนคิดถึงการงานที่เดททำแล้วและจะได้ทำในวันรุ่งขึ้นครั้นเวลานอนหลับก็ฝันเช่นเดียวกันไปตลอดคืนจนมันสมองเหนื่อยในเรื่องงานที่ทารุ่งขึ้นไปออฟฟิศก็ออกง่วงง่วงความคิดตะกุกตะกักไปเหมือนกัน คนทั้งสองจําพวกนี้ควรเปลี่ยนอากาศอยู่เสมอๆแต่ไม่ต้องไปยุโรปหรือศรีราชาอย่างฝรั่งพวกที่หนึ่งควรเปลี่ยนอากาศโฮเทนและโรงบ่อลไปกินอากาศโบสวิหารการเปลี่ยนเสียอย่างน้อยวิกละสองครั้งคือแปดข้ามครั้งหนึ่งสิบห้าข้ามครั้งหนึ่งถ้าเปลี่ยนแต่อากาศไม่พอจะเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเสียด้วย อย่างเป็นโรคเบอร์รี่เบอร์รี่ก็ได้คือนุ่งสีสดแดงแสงสีต่างๆนั้นควรเปลี่ยนเป็นขาวเสียทีเดียวเวลากินอาหารก็ควรเปลี่ยนและลดลงไปคือเลิกอาหารเย็นเสียมื้อหนึ่งกินแต่โมงเช้ากับห้าโมงเช้าเท่านั้นก็พอแล้วอันกระหูทกต่างๆก็ควรเปลี่ยนเป็นน้ำฝนน้ำท่าให้หมดฟังแลงงงไหมคะอันกรหทก อันกหัวทกมาจากคําว่าอันกหัวบวก ok อุทกอืฟังแล้วก็ยังงงต่อนะคะอันกหัวก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะก็คือพวกเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ทั้งหลายอุทกก็คืออุทกที่แปลว่าน้ำํำอันกหัวเนี่ยเป็นการอ่านคําว่าแอลกอฮอล์ในสาเนียงไทยทีนี้ท่านผู้ประพันธ์นะคะก็เอาคําว่า แอลกอฮอล์ที่ออกเสียงว่าอันกะโโหมาบวกกับคําว่าอุทกเป็นคําที่นอมสอเนี่ยท่านคิดขึ้นมาเองนะคะก็เลยกลายเป็นแอลกอฮอล์ทกคือแอลกอฮอล์บวกอุทกคือใช้วิธีการสนทิอะคะ่ะก็เท่ากับน้ําเหล้าสุรานะคะเป็นการนําเอาคําภาษาอังกฤษมาสนทิกับภาษาบาลีก็แปล ง, ง่ายๆก็คือแปลว่าเหล้า นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะมาอ่านจดหมายของจางวังรำกันต่อนะคะว่าจางวังรำจะเทศนาหรือว่าสั่งสอนในส่วนลูกชายในประเด็นไหนอีกแต่ก็สนุกดีนะถือว่าเป็นพ่อที่ อ, อมีความรู้เยอะมีความรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็เป็นพ่อที่ฉลาด รู้ทันลูกแล้วก็มีลูกล่อลูกชนไม่เบาทีเดียวเอาละคะ่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าจดหมายจ้างวังรำคะ่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน เข้าสู่ช่วงที่สองนะคะของห้องสมุดหลังใหม่มาอ่านจดหมายจางวังรามกันต่อค่ะจดหมายที่พ่อมีไปถึงลูกซึ่งเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะลูกเป็นนักเรียนนอกลูกซึ่งพ่อส่งไปเรียนเพื่อที่จะให้กลับมาทําทกิจการบริหารโรงสีที่ครอบครัวมีอยู่แน่นอนนะคะพ่อกับลูกก็จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน แต่เนื่องจากว่าพ่อนี่เป็นคนคุมเงินเพราะฉะนั้นพ่อก็จะมีอำนาจเสียงแข็งในการที่จะสอนลูกในการที่จะโน้มน้าวทำให้ลูกเนี่ยเห็นด้วยกับความคิดของตัวเองด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลต่างๆนาน า, นาแล้วก็้ดยเทคนิควิธีการนะคะในการเขียนจดหมายติดต่อสื่อสารไปถึงลูกค่ะถ้าเป็นสมัยนี้ ก็อาจจะเป็นการเขียนลายมังคะหรือไม่ก็โทรคุยกันเลยเพียงแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาที่จางวังหลํำสอนลูกนั้นสนุกแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะคะนี่เป็นพระนิพนธ์ของนองมศออค่ะพระองค์เจ้ารัชนีแจมจรัตรกรมมมื่นพิทยาลงกอ เอาละค่ะเรามาฟังกันต่อเลยนะคะกับเรื่องของคนที่เราอาจจะได้พบได้เจอในที่ทำงานนะคะคือคนที่ใช้คำว่ามาอย่างไทยไปอย่างสร่งคือตอนมาเนี่ยไม่ค่อยตรงเวลา แต่เวลากราบนี่ โ, โหตรงเวลาแปะเลยทีเดียวนะคะกับคนที่ไม่แยกแยะเวลาคือตอนทำงานก็ทำพอกลับไปถึงบ้านก็ยังคงคิดถึงงานที่ได้ทำไปแล้วคือคือไม่แยกเป็นเวลางานหรือว่าเวลาส่วนตัว เอาละค่ะเดี๋ยวลองมาฟังกันต่อนะคะฝ่ายคนจำพวกที่สองซึ่งคบความคิดของตนเองแทนเพื่อนนั้นควรเปลี่ยนอากาศบ้านไปกินอากาศโรงณ์ละครแอล ะ, ะบอ์หรืออากาศอื่นๆชนิดนั้นเสียบ้างด้วยถ้าไม่กินอากาศเหล่านี้ก็จะต้องกินยาร่ำไป คนเราที่จะหางานทำควรจะจำไว้เป็นตำราได้ว่าถ้าได้อะไรที่พอจะทำได้ก็ต้องรีบรับเข้าไว้เว้นแต่เมื่อมันไม่ไหวจริงๆนั่นแหละจนใจอยู่ตำแหน่งงานที่จะทำเอาเงินเดือนนั้นมันหาง่ายอยู่เวลาเดียวแต่เมื่อไม่ต้องการเท่านั้นเมื่อข้ายังหนุ่มๆถ้าข้าไม่มีงานเมื่อใด ข้าหาอะไรได้ไม่ว่าตำแหน่งนักการหรือเสมียนหรืออะไรข้าคงรับทำเข้าไว้ก่อนแล้วใช้ตำแหน่งตําเป็นเหยื่อตกตำแหน่งสูงต่อไปเช่นกับถ้าหาอะไรไม่ได้ดีกว่าไสเดือนก็ควรเก็บเส้เดือนลงกะลาเข้าไว้ทีนึงด้วยไสเดือนเป็นเหยื่อกุ้งกุ้งเป็นเหยื่อปลากรายปลาสลัดและปลาดุกปลาช่อนต่างๆดังนี้เจ้าสามารถจะได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นไปทุกทีในที่สุด ปลาชลามจะเป็นเหยื่อปลาวานบ้างกระมังถ้าไม่ได้ก็ควรจะได้ส่วนตัวเจ้านั้นเจ้าก็ยอมทราบอยู่แล้วว่าคงจะมีตำแหน่งทำงานในบริษัทไม่ต้องเก็บไส่เดือนมาตกกุ้งแท้จริงเจ้าจะหลบหนีกุ้งก็ยากด้วยกุ้งคงจะโจรเกาะเจ้าเป็นแน่ถ้าเจ้าไม่ยอมให้กุ้งในบริษัทนี้เกาะเจ้าก็คงจะต้องขุดไสเดือนให้ได้เสียก่อน เจ้าจริงจะตกกุ้งที่อื่นได้ด้วยถ้าไม่ต้องการกุ้งในบริษัทนี้ข้าก็ไม่เอาเสเดือนใส่กาลาเที่ยวตามง้อประเคนให้เจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้าต้องการให้เจ้าเข้าใจเสียแต่ต้นมือว่าซึ่งจะเอาถ้วยยามาควงเล่นบนปลายไม้เสียก่อนแล้วจึงจะกินยานั้นไม่ได้ด้วยถ้าพลาดพลั้งถ้วยแตกเสียแล้ว ก็จะเลยอดยาทีเดียวการทำทีอิดอิดเอื้อนเอื้นอนอยู่ไม่ใครลงมือทำงานเมื่อมีช่องเช่นนี้ก็เหมือนกับเอาถ้วยยาขึ้นเล่นควงชามถ้าพลาดพลั้งไม่ได้กินยาโรคจะกำเริบการรีรีรอรอพัดตัวเองอยู่นี่สุภาษิตในสมุดหัดลายมืออังกฤษว่าไว้อย่างไรเจ้าคงเคยเห็น progression is h i e f of h a r แปลว่าความรีรี ร, รอรอเป็นโจรผู้ลักเวลาหรือจะแปลอะไรก็แล้วแต่ปราดในทางนั้น อ, อันนี้อธิบายนิดหนึ่งนะคะ progression n a t i is the thief of time มาจากคำว่า p r o c r a s t i o n is the thief of time thief ที่แปลว่าขโมยนี่นะคะดิฉันก็พยายามจะออกเสียงใ ห, ให้ชัดที่สุดนะชัดได้แค่ไหนก็แค่นั้นแปลความหมายได้ว่าการผัดวันประกันพรุ่งการรี ร, รีรอๆนะคะนี่ก็เป็นสุภาษิต ท, ที่เหมือนกับของเราของเขานี่คือเหมือนกับว่ามันมันมีโจรขโมยเวลาเอาไปแต่ของเราก็คือผัดวันประกันพรุ่งนะคะประ t i รตีนเช i ีส e ิฟของ of t อ่าทีนี้เรามาฟังกันต่อนะคะคือพ่อเนี่ยก็ยกสุภาษิตนี้มาสอนลูกโดยบอกว่าคำที่กล่าวว่าความรีรอหรือความแฉะช้าเป็นโจร น, นั้นจะเป็นคำเปรียบที่น่าฟังหรือไม่ก็าตามแต่ข้อซึ่งเป็นผู้ทําเสียนั้นไม่ต้องสงสยัย ด้วยมันทําให้เสียไม่แต่เวลาถึงเงินเดือนก็ทําให้เสียเก่งเหมือนกันข้าได้เห็นมาหลายท่านแล้วที่ถูกตัดเงินเดือนด้วยเก็บงานเข้าลิ้นชักไว้เสียข้าเคยตัดเงินเดือนเสมียนของข้าเองด้วยเรื่องแฉะช้านี่หลายคนเจ้ากลับมาทำงานถ้าประพฤติเช่นนั้นก็จะทําให้บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้เจ้าน้อยเข้าแต่บริษัทไม่ได้ยินดีเลยธรรมดาคนที่เกิดมา บางคราวคงจะคิดผิดอยู่บ้างทุกคนแต่ถ้าคิดผิดครั้งหนึ่งก็มีข้อแก้ตัวที่พอฟังได้ครั้งหนึ่งแต่มีข้อเดียวครั้งเดียวเท่านั้นกล่าวคือเมื่อได้ทำผิดให้ต้องแก้ตัวเช่นนี้ไปแล้วจะทำผิดให้ต้องแก้ตัวเช่นเดียวกันอีกไม่ได้เช่นว่าถ้าเจ้าช่วยช้อนหวานตักน้ำพริกลาวกินเข้าไปเต็มช้อนดังนี้เจ้าอาจแก้ตัวได้ว่านึกว่าพุทากน แต่เมื่อได้กินเต็มคอเช่นนั้นครั้งหนึ่งแล้วเจ้าจะหลงว่าน้ำพริกลาวเป็นผู้ซากวนอีกไม่ได้ต่อไปเมื่อข้าส่งเจ้าไปเรียนหนังสือเมืองฝรั่งนั้นข้าก็ทราบแล้วว่าเจ้าคงมีความคิดบ้าต่างๆหลายครั้งแต่ข้าตั้งใจว่าเจ้าคงบ้าชนิดละครั้งเท่านั้นเช่นกับเมื่อได้กินน้ำพริกลาวแทนผู้ซากวนครั้งหนึ่งแล้วถ้าจะต้องดูเพดาน ด้วยการกินซาลาเปากำลังร้อนเข้าไปคำละอันก็พอค่อยอย่างชั่วหรือถ้าต้องจามช้อนสามชั้นด้วยตักแกงพริกขี้หนูซดเข้าไปเต็มช้อนก็พอแก้ตัวได้ว่าคิดว่าแกงจืดอย่างใหม่แต่ถ้ากินน้ำพริกลาวแทนผู้สากวรเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็จะอธิบายได้ว่าเป็นด้วยโง่ไม่มีเวลาคลายเท่านั้น เรื่องกลับอ้อมทางอเมริกานี้ข้าก็สราบอยู่ว่าเจ้าคงคิดสักวันหนึ่งข้าไม่ได้ว่าอะไรเสียแต่แรกด้วยเห็นว่ามันเป็นการกินน้ำพริกลาวซ้ำตามใจความในจดหมายเขาวงของเจ้าข้ารวบรวมความได้ว่าถ้าเจ้ากลับทางอ้อมก็เช่นกลับชุบตัวอีกชั้นหนึ่งทำให้สีสันวันณะของเจ้าผุดผ่องขึ้นดังข้าจะขอเปรียบว่า เหมือนกระโถนทองขาวที่ขัดได้ที่แล้วแต่ข้าเห็นว่าการขัดกระโถนทองขาวมันต้องใช้เพียงอิดปนหรือว่าฝุ่นตามถนนอย่างมากก็มาขามเปียกปั้นละอัดแต่การชุบตัวของเจ้ามันต้องใช้ทองปอนและเมื่อชุบเสร็จแล้วเจ้าก็คงยังเป็นมันสู้กระโถนไม่ได้อันหนึ่งการชุบตัวนี้อาจเป็นผลได้สองทาง คือชุบแล้วอาจมีผิวเนื้อเป็นทองอย่างพระสังก็ได้ชุบแล้วกลายเป็นขี้เท้าอย่างเท้าสันนุราชก็ได้ในที่สุดนี้ข้าขอบอกเจ้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามิสเตอร์ไวท์ได้รับคำสั่งข้าแล้วว่าถ้าเจ้าจะต้องการติก็ตโดยสารเรือเมย์ตรงมาสิงคโปร์เมื่อไหร่ก็ให้จัดหาให้ถ้าเจ้าไม่ต้องการตั๋วตรงมาสิงคโปร์ เจ้าจงหาติก็ตอย่างอื่นเอาเองเถิดมิสเตอร์ไวต์ White, ไม่มีจะให้เจ้าผิดกับที่ข้าได้สั่งไปแล้วติก็ตก็คือติก็ตคือตั๋วเดินทางนั่นเองส่วนเงินค่าอยู่ค่ากินของเจ้านั้นข้าก็ได้สั่งกำหนดไปแล้วถ้าเจ้าต้องการอยู่นานไปกว่าที่ข้ากำหนดไปให้เจ้าจะต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยค่าได้สั่งตัดงบประมาณตามกาหนดที่ว่าไปนั่นแล้ว ลงนามจางวางรับ